ถ้าเข้าใจประเด็นสิ่งที่ปรากฏแล้วสิ่งที่เกิดแล้วนะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองซึ่งมันแต่ทีนี้ไอ้ธรรมชาตินี่มันเป็นหลวงพ่อใช้คนว่าเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งคือปรากฏแล้วก็หมดไปนะแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่คู่กับธรรมชาตินี้คือเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดยมลงรู้ในเบื้องต้นก่อนนะว่า เมื่อธรรมชาตินี้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดเราจะใช้จะหูเอาเอาตาไปดูก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ปรากฏให้เห็นเนาะจะเอาหูไปฟังว่ามันมีเป็นอย่างไรว่าไอ้ธรรมชาติไม่ปรากฏเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟังได้หูได้ฟังด้วยหูได้เนาะหรือจะเอาลิ้นไปไปไ ป, ไปแทะเล็มดูว่าอะไรที่มันไม่ปรากฏมั่ง ก็จะหาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ปรากฏหรือว่าจะเอากายไปสัมผัสนะไปหามันว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงไอ้ธรรมชาติไม่เกิดไม่ปรากฏนี่ก็ไม่สามารถที่จะเอากายไปหาได้รวมถึงใจเอาใจไปหาเนี่ยใจใจไปหาว่าไอ้ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอ่ะมันอยู่ที่ไหนยังไงใจก็หาไม่พบทีเนี้ยตรงเนี้ย โ, โยมมันอธิบายยากสุ ด, สดเลยแต่ว่าก็ไม่เกินวิสัยที่คนจะเข้าใจได้ กิหมายความว่าไอ้ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏเนี่ยมีอยู่แ น, น่นอนนะทําไมจึ ง, งยืนยันได้ว่ามันมีอยู่แน่นอนก็ลองสังเกตธรรมชาติที่เกิดกับธรรมชาติที่ปรากฏสิก่อนที่จะมีธรรมชาติเกิดมานะก่อนที่จะมีธรรมชาติปรากฏมันมีอะไรอยู่หล่กก่อนนั้นนะก็เป็นความไม่ปรากฏถูกไหมถูกต้องไหมเออมองตัวเราก็ได้ตัวเราเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเนี้ย เป็นเป็นธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นแล้วแต่ก่อนหน้านี้สักร้อยปีตัวเรามีไหมตัวเรายังไม่มีนะไอตรงที่ไม่มีนั่นแหละคือเป็นความไม่ปรากฏแล้วก็ไอความมีก็เป็นสิ่งที่ปรากฏทีเนี้ยไอความมีทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากไอความไม่มีนั่นแหละแต่ทีนี้ไอความไม่มีเนี่ยยังไงมันก็ไม่มี คือมันจะเป็นความไม่มีไม่ปรากฏตั้งแต่บอกไม่มีระยะเวลาว่านานมาเท่าไหร่แล้วต่อไปมันอีกนานเท่าไหร่มันถึงจะหมดไปไอธรรมชาติที่ไม่เกิดธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเนี่ยมันจะไม่เสื่อมไปไหนมันจะไม่สูญหายไปไหนเพราะมันไม่ปรากฏที่มันไม่ปรากฏที่จะทําให้เกิดการสูญหายเนาะมันไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ปรากฏต่างหากมีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไป ตรงนี้หลวงพ่อต้องการชี้ให้เห็นว่าไอ้ตรงนี้มันซ้อนกันอยู่ซ้อน ก, นกันก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยกับหรือว่าสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยมันมันถูกรองรับมันถูกจะใช้ภาษาอะไรล่ะมันถูกธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอนะ่ะะมันเป็นความไม่มีใช่ไหมเป็นความไม่ปรากฏซึ่งมันมันมีอยู่แล้วส่วนธรรมชาติที่ปรากฏก็ เป็นสิ่งที่เกิดเกิดดับดับในธรรมชาติที่ไม่มีและไม่ปรากฏถ้ารู้จักธรรมชาติสองสิ่งเนี้มันก็จะทําให้เข้าใจสัจธรรมสูงสุดเลยว่าอ๋อสัจธรรมที่มันเป็นของปลอมของไม่จริงของเทียมๆนะ่ะคือธรรมชาติที่เกิดกับธรรมชาติที่ปรากฏแต่ธรรมชาติที่เป็นสัจธรรมแท้ที่ไม่มีการเกิดไม่มีการปรากฏอันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะธรรมคือยังไงก็ไม่เปลี่ยน ยังไงก็ไม่เปลี่ยนอันเนี้ยเป็นสัจธรรมแท้แล้วเป็นสัจธรรมที่เหนือจากสิ่งที่ปรากฏเหนือธรรมชาติที่ไม่ที่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏนี่นะเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมสูงสุดนะมันอยู่เหนือสิ่งที่เกิดแล้วอยู่เหนือสิ่งที่ปรากฏแล้วคือมันเป็นคนละประเภทกันเลยเป็นคนละประเภทอย่างเด็ดขาดมันมาเป็น สิ่งเดียวกันไม่ได้เหมือนกับน้ำกับใบบัวเลยที่โยมพูดถึงในตอนแรกใบบัวก็ต้องย่อมเป็นใบบัวน้ำก็ต้องเป็นน้ำซึ่งสองสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วกับธรรมชาติที่ไม่เกิดธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเนี่ยเป็นคนละอย่างอย่างเด็ดขาดอย่างถาวรมันไม่เป็นสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทไมถึงว่าถ้าผู้ที่เข้าใจธรรมะขั้นสูงสุด เนี่ยเออก็เรียกว่าหลุดพ้นจากจากธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปุ่งแต่งแล้วเพราะว่ามีปัญญาแยกเป็นว่าอ๋อไอ้ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏมันก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งธรรมชาติที่เกิดที่ปรากฏก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งมันเป็นอย่างเนี้ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็เข้ามารวมเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้มันก็เลยเป็นเป็นก็เรียกว่าถ้าพูดพอให้เข้าใจได้เนาะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดที่ดับเนี่ย สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เกิดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าชั้นโลกียะนะส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏสิ่งใดเลยอันนี้เป็นโลกุตตะละเห็นไหมเป็น2ฝั่งแล้เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาตินี้มันก็มีอยู่เท่านี้เองถ้ามีปัญญาเข้าใจเรื่องนี้ก็สามารถที่จะจบกิจหมายถึงว่าจบการเรียนรู้จบการศึกษาได้ว่าจริงๆเนี่ก็เรียนไปเรียนมามันก็รู้จักแค่ธรรมชาติ2 ส, สิ่งเนี่ย แล้วสุดท้ายก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าธรรมชาติที่เกิดที่ปรากฏก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏก็ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเราในธรรมชาติไหนเลยมีแต่ธรรมชาติสองสิ่งนี้เท่านั้นเองอันเนี้ยมันจะมันจะเอาลองดูกันแล้วกันว่าฟังแล้วเข้าใจไหมหรือติดตรงไหนยังไงเพราะมันยากไงตรงเนี้ยเพราะมันไม่ปรากฏแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงแค่ะอันนี้ หลวงพ่อจะพูดเพื่อเพื่อเพิ่มนะเหมือนกับว่าได้ฟังแล้วมันก็อาจจะเกิดสติปัญญาทําให้เข้าใจนะค <c oughs> ่ะให้เทียบระหว่างสิ่งที่ปรากฏกับสิ่งที่ไม่ปรากฏเนาะเพราะว่าธรรมชาติมันมีมมสองฝ่ายสองสิ่งแบบนี้เนาะสิ่งที่ปรากฏกับสิ่งที่ไม่ปรากฏทีนี้ถ้าหลวงพ่อยกตัวอย่างสิ่งที่ปรากฏนะเอาเช่นสมมติว่าหลวงพ่อยกตัวอย่างว่าดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ปรากฏ ใช่ไหมแล้วเราก็เทียบคู่กันแล้วบอกว่าถ้าสิ่งที่ไม่ใช่ปรากฏคืออะไรเราก็บอกว่าไม่ใช่ดวงอาทิตย์คือให้จับเป็นคู่อย่างนี้นะเดี๋ยวยมจะเข้าใจอ่าดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้ว<อ>ถามว่าแล้วสิ่งที่ไม่ปรากฏมันคืออะไรถ้าไม่ใช่ดวงอาทิตย์เดี๋ยวใหม่ดวงอาทิตย์ <laughs> เป็นสิ่งที่ปรากฏอ่าอ่าแล้วก็แล้วถ้าสิ่งที่ไม่ปรากฏคืออะไรเราก็บอกว่าไม่ใช่ดวงอาทิตย์อ่าทีนี้ก็ถามใหม่ ถ้าดวงจันทร์ล่ะว่าไงดวงจันทร์ก็คือเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วสิ่งที่ไม่ปรากฏคืออะไรหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ดวงจันทร์ <Burch. S 1> แล้วถ้ามีคนถามว่าเอ า, เอาแล้วที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเนาะที่นั่งอยู่ที่ยืนอยู่เนี่ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏแล้วสิ่งที่ไม่ปรากฏคืออะไรเราบอกว่าที่ไม่ใช่ยืนและก็ไม่ใช่นั่ง <igen. S 1> อ่าอานะแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงว่าตอนเนี้มีความสุขมากมีความสุขมาก แล้วสิ่งที่ไม่ปรากฏคืออะไรเราก็บอกว่าไม่ใช่สุขมากไม่ใช่สุขแล้วบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ทุกข์มากเลยทุกข์มากเลยแล้วก็สิ่งที่ไม่ปรากฏคืออะไรสิ่งไม่ปรากฏก็คือไม่ใช่ทุกข์คือพูดรวมๆมายอมคือมันมันเหมือนกับมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏหมดเลยอะไรก็ตามที่ยกขึ้นมาว่ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ที่มันปรากฏอนะแต่ธรรมชาติปรากฏไม่ใช่สิ่งนั้นซึ่งมีอยู่แต่ไม่ปรากฏันทีนี้ พอพอเป็นอย่างนี้เสร็จนะตอนนี้คือหลวงพ่อจะเอาให้เข้าเป้าก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่ปรากฏที่เรียกว่าตัวเรานะตัวเราเนี่ยจริงจริงมันคือขันห้าเลยแต่พอหลวงพ่อพูดถึงสิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยขันห้าเนี่ยจะเริ่มทำงานแล้วกาลังคิดกําลังค้นกําลังหาว่าอะไรวะอะไรวะอะไรไม่ปรากฏเนี่ยตอนนี้กาลังคิดเพื่อให้รู้นด้บอกไหม กำลังคิดเพื่อให้รู้เพราะนั้นไอ้ตัวที่กำลังคิดเพื่อให้รู้ไอ้นี้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏแต่รู้ได้ไหมเหล่าว่าไอ้สิ่งเนี้ยแต่รู้ได้ไหมเล่าว่าตอนนี้กำลังคิดกำลังค้นหาอยู่รู้ได้ไหมล่ะเออหรือว่าหรือว่าเอาตัวเราเนี่ยนะเอาขัานห้าเนี่ยพยายามทําความเข้าใจอย่างไนว่าไอ้นี้ไอ้ที่ไม่ปรากฏมันอยู่ที่ไหนยังไงนะอันนี้ก็ถ้ากับว่าคิดค้นสแสวงหาอีกแล้ว ในขณะปัจจุบันที่กำลังคิดค้นแสวงหาเนี่ยรู้ได้ไหมเราว่ากําลังคิดกําลังค้นกําลังแสวงหาอยู่เออพวกเรารู้ได้ไหมล่ะตรงเนี้ยถ้าถ้ารู้ได้ถ้ารู้ได้ว่าปัจจุบันเนี้ยไอขันห้าเนี่ยกําลังสังขารกําลังปรุงแต่งอยู่เนี่ยนะถ้ารู้ได้ในปัจจุบันขณะนี้แหละไอรู้นั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏนะ แต่สิ่งที่ปรากฏคือตัวคิดตัวค้นตัวหาตัวดิ้นหล่นตัวอึ๊กอักๆๆอึกอักไอตัวเนี้ยคือสิ่งที่ปรากฏแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้สิ่งที่กำลังปรากฏมารู้นะแต่มันไม่ปรากฏตัวผู้รู้รู้อย่างเงียบเงียบรู้อย่างไม่ปรากฏตัวนะเลยรู้ทุกอย่างที่กาลังมีกำลังปรากฏแต่ธรรมชาติรู้นั่นแหละไม่เคยปรากฏที่ไหนๆเลย มีแต่รับรู้อย่างเดียวนึกออกอะไรยังดดยรู้ไม่มีขอบเขต ร, รู้ไม่จํากัด <ฤะ S 1> รู้ไม่มีประมาณรู้อย่างเดียวและธรรมชาติรู้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติรู้เนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระดุกระดิกเพราะถ้าเคลื่อนไหวมันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏกระดุกระดิก ก, ดก็เป็นสิ่งปรากฏ แล้วรู้นี้ก็ไม่ได้พูดอะไรถ้าพูดเมื่อมาเมื่อไหร่มันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นรู้เนี่ยมันรู้อย่างเงียบรู้แล้วคือเรียกว่าเป็นใบอ่ะใบอ่ะได้แต่รู้อย่างเดียวมันเป็นใบมันไม่แสดงตัวว่ามันรู้อะไรถ้าแสดงตัวเมื่อไหร่มันก็เป็นธรรมชาติที่ปรากฏใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้เนี่ยมันมันได้แต่รู้แต่ก็ไม่แสดงอะไรทั้งหมดเลยไม่แสดงความรู้เลยไม่อะไรหมดเลยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หมดเลย แล้วก็ธรรมชาติรู้เนี่ยถ้าเทียบเคียงกันนะกับดวงอาทิตย์อ่ะอเมื่อกี้บอกว่าดวงอาทิตย์เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ปรากฏแล้วก็ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏคืออะไรไม่ใช่ดวงอาทิตย์และโยมไปกบคู่สิว่ารู้เนี่ยกับดวงอาทิตย์มันเป็นสิ่งเดียวกันไหมก็พอจะเข้าใจได้ว่าเออรู้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์อ่าแล้วก็ดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้ว ร, ร, รู้เดี๋ยวดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ปรากฏ แล้วก็แล้วที่สิ่งที่ไม่ปรากฏคืออะไรถ้าไม่ใช่ดวงจันทร์เราก็บอกก็รู้ไงอ่าเห็นไหมแล้วก็วตอนแรกหลวงพ่อเล่าอะไรบ้างเร่องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็เอาเรื่องทุกข์บ้างสุขบ้างอ่ะสมมตินะเวลาทุกข์ทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์คืออะไรก็คือไม่ใช่ทุกข์อะไรละไม่ใช่ทุกข์ก็คือรู้ไงอ่าแล้วเวลาสุข สุขเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วอะไรไม่ใช่สุขะและที่ไม่ปรากฏก็คือรู้ไงเนันนีเรื่องนึกออกแล้อย่างรู้เนี่ยมันรู้ทุกเรื่องนะรู้ั้ง่รู้ดวงอาทิตย์รู้ดวงจันทร์รู้ทุกรู้สุขอ่าแล้วถ้าสมมติว่ามันเฉยๆว่างๆโปรง่งเบาสบายอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วอะไรที่ไม่ปรากฏก็คือไม่ใช่ความโลง่งไม่ใช่ความโปรง่งไม่ใช่ความสบายแล้วสิ่งนั้นคืออะไรอ่ะ ก, ก็ต้องรู้อีกแหละอันนี้หลวงพ่อสมมุติชื่อนะคำว่ารู้เนาะแต่จริงๆเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏซึ่งมีคุณสมบัติคือรู้ไอธรรมชาติรู้นี่แหละเนี่ยที่สอนกันนะกันหนาะบอกอะไรก็ให้รู้อะไรก็ให้รู้เนี่ยเห็นไหมเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้แล้วเมื่อรู้อย่างเนี้ยก็เธอก็จะ อ, อ, อะไรนะจะไม่ติดยึดอะไรอะไรในโลกนี่เรื่องหลักสติปัฏฐานสูตรอะมีพูดถึงเรื่องนี้เรื่องรู้นี่แหละ ไอจติปัฐานนี่แหละกายมีอยู่ก็เป็นเพียงแค่รู้เวทนามีอยู่ก็เป็นแค่รู้เป็นที่อาศัยระลึกจิตมีอยู่ก็เป็นที่รู้เป็นที่อาศัยระลึกทมทั้งปวงทามารมต่างๆก็เป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกแล้วก็เมื่อมีเมือ่อเมื่อเป็นแค่เครื่องรู้เนาะออแล้วก็เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ก็จะไม่ติดอะไรอะไรในโลกนี้ไม่ติดอะไรก็แสดงว่าพ้นไปจากโลกพ้นไปจากทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏหลวงพ่อใช้คําสมมุติว่าสิ่งนั้นคือรู้รู้เนี่ยอาจจะเรียกว่าธาตุรู้ก็ได้นะอาจจะเรียกว่านิพานธาตุก็ได้อาเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็ได้จิตดั้งเดิมก็ได้เนี่ยภาษาเซน่ะที่เราได้ฟังบ่อยๆอย่ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นรู้เนี่ยจึงไม่ปรากฏตัวแต่มีแต่ความรู้อะไรที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าเกิดขึ้นในจิตในใจอ่ะเห็นไหมเขารู้ได้ไหมล่ะสุขทุกข์เขาก็รู้โล่งโปร่งสบายเขาก็รู้ แต่เขาไม่แสดงความรู้ด้วยการพูดออกมาว่าเขารู้อะไรได้แต่รู้ซื่อๆได้แต่รู้ซื่อๆนะแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นในกายนะความปวดความเมื่อยความอะไรต่างๆนะปรากฏขึ้นรู้นี่แหละก็จะทำหน้าที่รู้ได้แต่เขาก็ไม่ปรากฏตัวว่าเขารู้อะไรแล้วก็ความรู้เนี่ยมันก็แพ่ขยายออกนอกตัวไปรู้ต้นไม้รู้ภูเขารู้ธรรมชาติรู้ดวงอาทิตย์รู้ไปหมดเลย แต่เขาก็าไม่ปรากฏว่าเขารู้เรื่องพวกนั้นแล้วก็พูดอะไรไม่ได้แล้วก็รู้เนี่ยรู้จักว่าไอสิ่งใดปรากฏเนี่ยสิ่งนี้เกิดดับหมดนะแต่รู้มันรู้จักตัวมันเองว่ามันมันไม่เป็นอะไรเลยมันได้แต่รู้ถ้ามันรู้จักตัวเองแล้วว่ามันไม่เป็นอะไรนั่นแหละมันรู้จักตัวเองแล้วว่ามันไม่เป็นอะไรนอกจากนั้นอ่ะที่ที่มันไปรู้เนี่ยมันก็คืออีกสิ่งหนึ่ง แต่รู้เนี่ยแหละมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สุดแห่งทุกเนี่ยที่มันสัจจะจริงๆเลยก็คือรู้นี่แหละโยมแต่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่ต้องฟังแล้วก็เวลายกตัวอย่างประกอบเดี๋ยวจะเข้าใจเองสมมติคำสมมติ น, นั่งขึ้นมา <คำ S 1> เพราะว่าธร ร, ธรรมชาติสัจธรรมสูงสุดจริงๆอ่ะไม่ว่า ไอ้ไอ้ไม่ว่าจะเป็นสภาวะแบบไหนมันไม่มีชื่อเรียกทั้งหมดนะไม่ว่าใครที่เป็นชื่แต่งหรือไม่ไม่มีชื่อเรียกแต่ว่าคนเนี่ยไปสมมุติชื่อเห็นไหมคนไทยก็สมมุติอย่างนี้คนอังกฤษก็สมมุติชื่ออย่างนั้นแต่จริงอ่ะโดยตัวธรรมชาติโดยปรัมมัดของมันเนี่ยมันไม่มีชื่อเรียกแต่ที่เรามาสมมุติก็เพื่ออะไรเพื่อเพื่อจะได้ชี้แบ่งแยกให้เห็นว่าเออไอ้ธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเนาะซึสมมติว่า ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหนึ่งเนี้ยนี่ถ้าไม่สมมติชื่อเนี่ยเราจะเอาอะไรมาธิ่ใบอะ่ะเนาะแต่ถ้ามาสมมุติชื่อปั๊บเราจะรู้เลยว่าอ๋อธาตุธาตุไฟก็คือคุณสมบัติคือมีความร้อนมีความอบอุ่นเนะเออาะธาตุน้ําก็คื อ, อ, อมันมีความเลวเอบอัอบอะไรเนี้ยแล้วก็ธาตุดินคือคุณสมบัติคือมันเป็นความแข็งธาตุลมก็คือพัดโบกเนี่ยก็เป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นคําสมมุติหมดเลย แต่อสมมติเนี่ยต้องอาศัยมันไงเพื่อที่จะเข้าถึงวิมุตตนะเข้าถึงสัจธรรมความจริงเพราะนั้นธรรมะจริงๆอ่ะมันจะว่ายากมันก็ยากแก่ว่าคนที่เข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วความยากหายหมดเลยแหละเพราะว่ามันแบบมันรู้จักหมดแล้วแต่รู้ก็ คือรู้จักหมดแล้วรู้ครบรู้ท่วนแต่ก็สุดท้ายก็เข้าใจหมดว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติไม่มีศาสนาไม่มีอะไรคือมันเป็นเป็นธรรมชาติไงหมายพูดคําว่าไม่มีศาสนาะนี่คำนิถอนแล้วกันแต่ว่าเอาเป็นเรื่องถ้าพูดถึงธรรมชาตินะมันไม่ได้แบ่งแยกหรอ ก, รอกว่าอะไรอะไรค่ะ ท, ทีนี้ช่วงท้ายเนี่นะมันก็มีเรื่องเรื่องของเพื่อการปล่อยวางจริงๆ จริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ยึดถือสิ่งใดแล้วมันก็ไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไม่ต้องวางแล้วแต่ถ้ายังมีการยึดการถืออยู่ตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของสติปัญญาที่รู้เท่าทันว่าหลงยึดแล้วหลงเข้าไปเป็นแล้วอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ต้องยกตัวอย่างหลวงพ่อยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพก่อนนะให้มันเป็นชั้นๆก่อนว่าเราเวลามีทุกข์กับกับลูกหลานเนาะกับลูกหลานกับ บริวารเนี่ยญาติพี่น้องสามีภรรยาอะไรแล้วแต่หรือว่าทรัพสมบัตินะจริงๆอ่ะทั้งลูกทั้งหลานทั้งทรัพสมบัติพวกนี้เป็นสังขารทั้งหมดเลยนะแต่ด้วยความที่มันมันมันยึดมาแบบไม่รู้กี่กับกี่กันนะเนาะว่าเอออันไหนที่เกี่ยวข้องกับเราเนาะผูกพันธ์กับเราเรายึดมาเป็นของเราหมดเลยญาติของเราสามีของเราภรรยาของเราทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยยึดและ เพราะฉะนั้นเวลาสิ่งเหล่านั้นมันเสื่อมไปอ่ะเพราะว่ามันเป็นสังขารใช่ไหมมันจะต้องมีแล้วหมดไปเช่นอาจจะเกิดแผ่นดินไหวอาจจะเกิดน้ําท่วมอาจจะเกิดไฟไหม้อะไรต่างๆแล้วมันสูญหายไปแล้วมันจากไปมันตายด้วยความยึดนี้ก็ทําให้ผู้ยึดเนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่ยึดกับสิ่งนั้นความทุกข์ก็ไม่มีนะแต่ทีนี้แค่นี้มันยังไม่พอเพราะยังยึดอะไรอยู่ก็คือตัวเรา ตัวเราก็คือขน 5, นะันห้าเนาะเป็นสังขารแต่ไม่รู้จักว่ามันเป็นสังขารเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเรานะแต่ถ้าเข้าใจถูกเข้าใจว่าอ๋อไอตัวเราทั้งตัวเนี่ยจริงๆอะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่ขันห้าหรือว่ามันเป็นสังขารเท่านั้นเองพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็รู้อยู่ว่าสังขารไม่เที่ยงก็หมายความ ว, ามว่ามันจะต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ต้องพลัดพากสูญเสียกันไปนะถ้ามีปัญญาเข้าใจถูกต้องมันก็ ปล่อยวางคือไม่คือไม่ยึดถือมีแต่ปัญญาเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ยึดถือแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ยึดถือร่างกายเนี่ยมันแก่เจ็บตายไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครทุกข์แต่ร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนสภาพเช่จนจากสบายเป็นไม่สบายเนาะจากหนุ่มเป็นจากสาวก็เป็นแก่เป็นผมออกคันหักอะไรก็ว่าไปนี่คือสังขารทั้งหมดที่มันเปลี่ยนไปแต่ด้วยปัญญาอันสูงสุดคือเข้าใจถูกต้องแล้วว่ามันไม่ใช่เรา เพราะฉะนั้นเมื่อสังขารนี้มันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเปลี่ยนไปแบบไหนก็ไม่มีใครทุกข์อันเนี้ยถ้าเข้าใจแบบเนี้ยก็ไม่ต้องปล่อยไม่ต้องวางเออแต่ทีนี้มันมีอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งนะเอาสมมติว่าปล่อยวางบริวารเรียบร้อยแล้วสิ่งที่อยู่นอกตัวปล่อยวางหมดแล้วแล้วก็ปล่อยวางสังขารตรงนี้หมดแล้วว่ารูปธรรมนามธรรมเข้าใจถูกต้องแล้วว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ยึดถือแล้ว ปรากฏว่ามันพ้นทุกข์ขึ้นมาไงพอพ้นทุกข์ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ไปยึดอีกทีหนึ่งบอกเราพ้นทุกข์แล้วเราปฏิบัติธรรมจบกิจแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วอย่างนี้ยังต้องวางเพราะว่ายังมีตัวเราเป็นผู้ไปเป็นผู้พ้นทุกข์อ่ายังมีตัวเราเป็นผู้เอ่อเป็นผู้ไม่ทุกข์แล้วมีตัวเราเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วต้องวางไอ้ตัวนี้ด้วยวางไอ้ตัวเราผู้ ผู้บรรลุธรรมผู้ไม่ทุกเนี่ยวางมันด้วยมันจะถึงจบกันจริงๆเพราะงั้นบางคนยังไปติดอยู่แต่ไม่เห็นไงเฮ้เราปฏิบัติธรรมหลายปีนี่วางหมดแล้วไม่ทุกเราไม่ทุกแล้วเราบรรลุธรรมแล้วยังยังยัถ้ายังมีเราอยู่นะยังๆัยังต้องวางตัวเราซะก่อนด้วยวางไในตัวเราผู้พ้นทุกผู้บรรลุธรรมมันแหละวางตัวเราผู้ไม่ทุกเนี่ยวางเสียด้วยแล้วถึงจะหมดจริงๆ วันนี้หลวงพ่อพูดถือว่าเป็น <c oughs> เป็นธรรมขั้นสูงนะไม่ใช่ว่าอาจจะมาพูดให้คาราวาทั่วไปฟังได้นะแต่ว่าหลวงพ่อไม่กักไม่เก๊กแล้ ว, วพูดหมดแหละเพราะว่ามันทางที่สุดแห่งทุกข์ต้องพูดได้เนาะ <c oughs> ว่าปัญญามีแค่ไหนก็ <c oughs> ก็รับอยากจะซะคือคืออย่างนี้คือบอกว่ารู้เท่านี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อครับเออจะเป็นเบื้องต้นว่าเรารู้เท่านี้ก็พอแล้วอ่ะ <c oughs> จริงๆก็จริงๆก็พอนะเหมือนกับว่าเพราะว่าเป้าหมายมันสูงสุดก็คือเหมือนกับว่า อ, ออะไรนะที่สุดแงทุกเนาะคือพ้นทุกเนาะมันก็พอเพียงไงเพราะว่าพระุทธเจ้าสอนเรื่องเนี้แต่ใครจะรู้มากกว่านั้นก็เกินจากนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไมเป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือเนี่ยรู้ประมาณแค่นนเนี้ยที่ยอมว่าเนี่ยที่หลวงพ่อพูดมานะทั้งหมดเนี่ยมันจะจบตรงที่รู้นะโดยภาษาสมมุติเนี่ยมันจบตรงที่รู้ เพราะรู้นี่แหละคือเป็นเป็นธรรมะที่ไม่ปรากฏอะไรเลยแล้วก็เป็นธรรมที่พ้นจากโลกพ้นจากทุกพ้นจากสุขพ้นจากความเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นรู้นี่แหละคือความไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรแต่สิ่งถูกรู้ทั้งหลายมีมากมายล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังมากๆตั้งแต่เริ่มต้นบอกว่าฝึกเนี่ยคือให้รู้ลมหายใจออกก็ให้รู้หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจยาวก็ให้รู้หายใจละเอียดก็ให้รู้โอในหลักสติปัฏฐานทั้งหมดอะไปรู้มีแต่ให้รู้ให้รู้ให้ ร, หรู้แต่เราไม่เข้าใจคำว่ารู้นะเราเนี่ยมักจะไปพอใจกับสิ่งถูกรู้เช่น โล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็ไปยึดเนี่ยไปยึดไอ้ตรงนั้นแหะพอใจไอ้นั่นเป็นแค่เป็นแค่สังขารที่มันยังเกิดดับได้มันไม่ถาวรหรอกเพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้อย่าไปหลงไหลอย่าไปยินดีอย่าไปเพลินอย่าไปติดใจเพียงแค่รู้ซื่อว่าขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยมันมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่หลักของมันนะ ทีนี้หลายคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าใจผิดปฏิบัติเพื่อจะเอาเพื่อจะยึดถือเอาไว้สิ่งไหนที่มันดีก็จะยึดเอาไว้รักษาเอาไว้สิ่งไหนไม่ถูกใจไม่ดีก็ผลักไสเขี่ยวเข็นดิ้นแบบดิ้นเพื่อให้มันหลุดออกไปอย่างเร็วนี่ผิดหมดเลยหลักการปฏิบัติที่ถูกวิปัสสนาที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าให้รู้แจ้งให้รู้เห็นตามความเป็นจริงนะให้รู้เห็นตามความเป็นจริง เป็นจริงยังไงก็คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแหละเ อ, อเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจริงๆอ่ะเกาว่าต้องฟังให้เข้าใจก่อนเนาะแล้วค่อยจึงไปปฏิบัติแต่ของเราก็โอเคมันก็ปฏิบัติไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจทีหลังหรือปฏิบัติไปด้วยค่อยๆพร้อมๆกันไปศึกษาแต่จริงๆถ้าฟังให้เข้าใจก่อนแล้วไปปฏิบัติอ่ะมันจะง่ายแต่ผมก็อย่างว่าเนาะ ภาษาไทยด้วยกันเนี่ยพูดให้เข้าใจมันก็ยากอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นก็คลาคลำ ถ, ถ, ถูถูไทไถยไปก่อนเนาะแต่ถ้าค่อยๆเข้าใจเองถ้าสมมติว่าไม่ตายซะก่อนเนาะเข้าใจอย่างง่ายๆเหมือนกับบัวสีเหล่าเออผู้มีปัญญามากก็เข้าใจได้เร็วมันก็สามารถที่จะอ่าจบกิจในชาตินี้ได้แต่ถ้าช้าหน่อยก็อาจจะอือาจชาติหน้าไม่เกินเจ็ดชาติอะไรแล้วก็ว่าไปหรือบางคนก็ไม่รู้ไปลง เ ป, เป็นเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานไปลงหน้าโกไปก่อนก็แล้วแต่ผลผลการกระทําของเราเนาะที่เรียกว่าเป็นเป็นกรรมดีกรรมชั่วหรือว่ากุศลแกรรมไม่กุศลแกรรมแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยให้ไปมีพบมีชาติตามนั้นไปแต่ลนะหลวงพ่อก็เน้นก็คือว่าปฏิบัติเนี้ยก็คือให้มีสติคือสติก็คือตัวรู้น่ยตัวระลึกได้ปฏิบัติเพื่อเขาเรียกว่าทําเหตุ ทำปัจจัยขึ้นมานะสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อจะให้มีสติคือให้มีตัวรู้เมื่อมีตัวรู้แล้วเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันก็สามารถเห็นรู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็มันก็สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งถูกรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นแค่อาการเป็นแค่สังขารที่เกิดดับส่วนสติจากสติธรรมดาเป็นสติปัญญาแล้วก็ต่อมามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อ มีประสบการณ์มากๆเนาะมันก็จะพัฒนาจากสติก็เป็นญาณ น, นะเป็นญาณรู้เป็นปัญญาเอ่อเป็นเป็นเป็นเป็นวิมุตติญาณเป็นญาณญาณทั้งหลายต่างๆที่ที่เขาพูดถึงนะเออมันมีหมดแหละแต่ทีนี้ไอ้เรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องภาษาบัญญัติซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนศัก์พวกนี้หลวงพ่อนี่เรียนแค่เอารู้สึกตัวรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเออ เมื่อรู้สึกแล้วก็คือแค่รู้แค่เห็นและสุดท้ายก็คือเข้าใจว่าอ๋อที่แท้เนี่ยก็คือแค่รู้แค่รู้แล้วก็ไม่ได้ยึดถือสิ่งใดนะพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วทำต้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอ๋อก็แค่รู้แค่รู้ก็คือแค่รู้แอละสั้นที่สุดแล้วหรือให้สั้นกว่านี้ก็คือรู้ค่ะมีคําถามมานะคะว่าเอจากผู้ฟังนะคะว่ารู้แล้วปล่อยวางใช่ไหมคะ คือถ้ารู้อย่างถูกต้องนะรู้ที่มันไม่ใช่ตัวเรารู้นะแต่รู้ด้วยด้วยสติปัญญาที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องปล่อยไม่ต้องวางเลยแค่รู้แค่เนี้มันก็มันก็เขาเรียกว่ามันมันมันรุดมันพ้นแล้ว่เออแค่รู้แค่เนี้ยมันหลุดมันพ้นโดยที่ว่าไม่ต้องออกไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยนะแต่ที่ที่เราภาคปฏิบัติบางทีเนี่ยยังมีการแบบอึ๊กักอึ๊กอักเพื่อที่จะปล่อยวางเนาะอันนั้นยังไม่ใช่รู้ ยังเป็ น, นสังขารที่สิ่งถูกรู้อยู่อก็ก็ค่อยๆไปสังเกตแล้วกันเนาะค่ะแต่ดิบแบบนมัคประธานหลวงพ่อค่ะสวัสดีคุณหน่่ยน้อยค่ะก็ฟังท่านแล้วก็ก็ก็มีคิดถึงตัวเองเมื่อวานเนี้ยค่ะเอ่อที่ท่านบอกว่ามีแล้วมันก็ดับไปอย่างเช่นเรื่องเมื่อวานมีแล้วก็ดับดับไปตรงเนี้ยนะคะดับไปนะนะช่วงเวลาที่ปิดห้องเสร็จแล้ว อ, อยู่ๆชั้นพลก็ นำกลับมาคิดอีกอะคะ่ะในระหว่างที่นำกลับมาคิดก็ เ, เป็นการคิดแบบใครควรทบทวนแล้วก็เรียนรู้ไปจากมันนะคะซึ่งในใจก็คิดว่าเนี่ยเ ร, เ, รเรากำลังเรียนรู้นะเรากำลังมองมองให้เห็นกำลังกาลังศึกษากำลังทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันก็มันก็ปรึกครบรู้รู้รู้ ร, รู้กำลังเรียนรู้กำลังรู้ตัวแต่ว่าในใจก็คิดว่า สิ่งที่มันจบไปแล้วยังข้ามยังเอากลับมาคิดอีกทำไมถึงไม่ปล่อยมันไปแล้วก็ตัวที่เรามองไม่เห็นนะคะมันเหมือนยังไม่ยอมปรากฏตัวยังไม่ยอมที่จะมาช่วยเราเลยยังยังมองไม่เห็นนะเราก็เห็นแค่ตัวเรากำลัง น, นั่งนอนคิดอยู่แล้วก็ทาการพิจารณามองตรงนี้คะ่ะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราคิดอย่างมีสตินะแต่สติตัวที่เรากำลังคิด กับตัวที่หลวงพ่อบอกเนี่ยสงสัยจะคนละตัวกันนะมันมันมันใช้สติตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าใช่แล้วทำไมเรายังรู้ไม่จบทำไมยังยังไม่ยอมจบกับสิ่งที่รู้ตรงนี้สถทีอะค่ะทรายมาทำไมพรก็เลยสงสัยว่าสติตัวเดียวกันหรือเปล่าค่ะอื ม, อมก็อ่ะเท่าความก็คือเหตุการณ์เมื่อวานเนาะก็คือ การเมื่อวานก็คือเมื่อมันเกิดปั๊บมันก็ดับมันก็ผ่านผ่านผ่านผ่านเนาะแต่ทีนี้เมื่อเมื่อคืนหรืออะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นสภาวะธรรมอันใหม่คือคนละตัวกับตัวที่เกิดไปแล้วดับไปแล้วอันนี้เป็นสภาวะธรรมอันใหม่ที่มันยังมีสัญญาจําได้เนาะมันก็พอมีสัญญาเสร็จมันก็เริ่มคิดเริ่มนึกบุงแต่งก็ก็มันก็เป็นสังขารก็คือขันห้ายังทํางานอยู่เพราะว่าขันห้ายังไม่แตกสลายเนาะก็หลวงพ่อเองก็ยังเอาเรื่องเมื่อวานมาพูดเลยเพราะอะไรก็เพราะว่า คือก็อยังจําได้บางเรื่องเนาะแล้วก็เอามาพูดมามาคุยกันเพื่อที่จะขยายความเนาะแต่ทีนี้นั่นเนี่หมายความว่ า, วาไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนโน้นแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ในปัจจุบันนี้ถ้ามันเกิดใหม่ก็ถือว่าเป็นสภาวะอันใหม่แล้วมันก็ดับดับอีกแล้วก็เกิดสภาวะอันใหม่แล้วก็ดับอีกอันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายสังขารที่ปรุงแต่งก็คือเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่จบไม่สิน้นหรอกโยมเออมันจะเกิดอย่างนี้อย่างนี้เนาะ แต่ทีนี้ด้วยความที่บางทีสติปัญญาเนี่ยมันยังไม่คมกลิบไงมันก็ยังมีตัวเราคือคือเวลามันปรุงแต่งอะไรต่างๆหรือว่าความหลงผิดเนี่ยที่มันเคยหลงมานานเนี่ยนึกว่ามีตัวเราเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันยังฝังลึกเป็นอนุสัยอยู่ว่าเนี่ยตอนนี้ยังมีตัวเราอยู่เราตั้งใจคิดเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทาไมเราไม่เห็นไอตัวสติอตีกดวงตามที่หลวงพ่อว่าตอนเนี้มันยังมีความเป็นเราอยู่แต่ยังไม่รู้เราว่า ไอความเป็นตัวเราวันนี้ก็คือสังขารเหมือนกันคือยังไม่รู้เราแต่เราเนี่ยพยายามที่จะให้รู้ให้รู้ให้รู้สให้รู้อะไรให้รู้อย่างที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อบอกนึกออกใช่ไมคือมันจะมีตัวเราเนี่ยพยายามจะทำความเข้าใจตัวเราพยายามที่จะให้รู้อย่างที่หลวงพ่อบอกแต่มันไม่รู้ตัวเราสักทีมีแต่ตัวเราเนี่ยดิ้นดิ้นดิ้นคิดที่จะอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเรียกว่ามันมันมันอยู่ในภาวะที่ที่หลงอยู่ ในวังวนของสังขารนะ่ยคือมันมันหลงมันยังออกไม่ได้แต่ถ้าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลามันออกได้เนี่ยมันจะรู้ชัดเลยว่าโอ้โ oh ห oh, ตอนหลงนี่นะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วตอนนี้หายหลงแล้วมันก็เห็นชัดเลยว่าโอ้ oh, ไอตอนหลงมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ไม่หลงเป็นอย่างนี้นก็ค่อยๆค่อยๆแหละพราะเนี้เพราะว่าบางทีมันก็ต้องสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนแต่ยังไงก็ตามให้อยู่กับปัจจุบันให้รู้ตัวเราก็คือวิธีรู้ก็คือ กลับมาใช้อุบายเก่าว่าตอนเนี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอะ่ะตัวเรามันก็รู้ได้นี่ใช่ไหมเมื่อวานเราบอกว่าเออเชิงกชชิงอกคอยืนนอกห้องแ ล, ออล้วก็คอโผล่เข้าไปในในห้องอะ่ะดูดิมันรู้ตัวเราไหมอ๋อจะเข้าใจขึ้นเลยมาอ๋อมันรู้เราคือแบบนี้เนี่ยต้องกลับมาในสิ่งที่เขาเรียกว่าทําเป็นแล้วไงให้กลับมาตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจแต่ถ้าเอาตัวเราไปคิดไปค้นไปหานี่ยิ่งยิ่งยิ่งหลงใหญ่เลย ไม่ดูพอดีพอได้ไหมดิพอได้ครับก็ก็เห็นภาพที่เอาตัวออกเข้าออกเข้าอองคนประตูห้องก็ก็รู้สึกตัวเองว่าเห็นตัวเองในลักษณะคล้ายๆแบบในแนวของตัวเองที่กําลังนอนคิดกําลังคิดนี้คิดนั่นแต่มันไม่วาบตัวตัวที่เห็นสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่วาบแต่ตอนเนี้ยเพมาะมีตัวเราพยายามจะให้เห็นไงใช่ก็บางเรียกว่เมื่อไหร่จะมาก็ทีเมื่อไหร่จะมาต้อที เออค่ะค่ะ ข, ขอบขอบขอบขอบคุณค่ะคัน<อ>คือแบบพอดีคุณจชมาพรขึ้นมาผมก็เลยกล้าขึ้นมาต่อฮะขอขอเท่าความไปเหตุการณ์เมื่อวานหน่อยนะครับผมคือพอดีเป็นเป็นเหมือนพยายามอยู่ด้วยเนะฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยก็คือหน้าตอนนั้นอะ่ะผมผมเห็นเห็นสภาวะตัวเองนะเห็นอารมณ์ตัวเองขึ้นมาเลยนะฮะทีนี้เสร็จแล้วมันก็พอมีคุณจชมาพรเล่าเรื่องเมื่อวานอย่างเงี้ยผมก็พบว่าเออ มันดับไปตอนไหนวะคือนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมไงคือเมื่อ ว, า, วานไม่รู้แต่ว่าเพิ่งมาเพิ่งมาเอ๊ใจอตอนนี้ว่าเออมันดับไปตอนไหนอะไรเ ง, งี้ยอยากจะทำหลวงพ่อว่าเฮ้ผมผมมาถูกทางไหมมีอะไรต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับรบกวนนะครับก็มันดับตอนไหนก็บางทีมันไม่รู้หรอกเพราะว่าในชีวิตจริงอะไม่ไม่รู้หรอกไม่กี่เรื่องหรอกที่ว่ามันดับตอนไหนเนาะแต่พอมารู้อีกทีว่ามันดับไปแล้ว อาการที่รู้ว่าดับไปแล้วเนี่ยตรงนั้ น, นอัปเดต ท, ที่สุดแล้วคือปัจจุบันในขณะนั้นนะออแต่ทีนี้ถ้าเป็นปัจจุบันขณะนี้เนี่ยให้รู้ตัวเราว่าไอตัวเราที่ถามนี่เนาะมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งแล้วก็วางมันเสียโอเคไหมโอเคครับเขาเ ข, ข้าใจครับผมครับสังขารกับสังขารครับค <laughs> ่ะสาธุค่ะ แ, แล้วแล้ววางด้วยคือไม่ยึดถือคือไม่เอามันแต่มันก็มีสังขารอยู่แต่ว่า เข้าใจด้วยปัญญาอ่นถูกต้องว่าที่ถามเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือสังขารแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนของใครแล้วก็ผมก็มันก็หมดมันก็หมดไปเนี่ยว่างแล้วเขาเรียกว่าปล่อยวางฝึกตรงนี้ให้ชํานาญแล้วก็จะพอมันเกิดปั๊บเกิดอยากถามเนาะเอะละสังขารเกิดแล้วก็อาจจะไม่ถามก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วก็รู้ว่าไอ้ตรงนี้ยึดไม่ได้ไอ้สังขารเนี่ยยึดไม่ได้ยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดหรือมันไม่เกิดเนี่ยก็เพียงแต่รู้ในปัจจุบันแล้วก็สุดท้ายก็คือแค่รู้แค่นั้นเอง ครับคก็ยังเป็นสังขารอยู่ครับตอนนี้ก็พยายามจะจะละอยู่ครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวพยายามมันจะมีตัวเราพยายามให้เห็นตัวให้เห็นในตัวพยายามว่าก็เป็นสังขารนะลึกซึ้งครับก็นะรู้ปัจจุบันรู้ตัวเพราะในตัวเรามันสามารถเห็นสังขารทั้งหลายที่มันปรากฏอยู่แล้วก็เมื่อมันปรากฏในทางร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็ดี ก็รับรู้รับรู้แล้วก็เรียนรู้มันว่าเนี่ยคือสังขารเกิดแล้วสังขารเกิดแล้วเรียนรู้เนาะเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็ไม่ได้หลงยินดีพอใจกับสังขารที่กําลังปรากฏเพียงแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านะฝึกตรงผู้ที่เข้าถึงเข้าใจแล้วเออมาถึงมาถึงขั้นนี้แล้วเนาะก็เพียงฝึกก็คือแค่รู้แค่รู้แค่รู้นะจะได้จบลงในชาตินี้